การทำวัดสมุนก็อย่างที่กล่าวเลยว่าถือว่าเป็นการเรียนรู้ปริยัตช่วงสั้นนะโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาอ่านพัฒิบิดกอ่านหนังสือตาราอะไรมากมายโดยเฉพาะเป็นการเรียนรัดที่เรียกว่าใช้ใบไม้กำมือเดียวในะบไม้กำมือเดียวความรู้ที่พุ้ทีาสอนทั้งหมดท่านบอกใช้ ลดแล้วเหลือเป็นใบไม้กับมือเดียวคือสติประฐานสูตรนี่แหละแปดหมืนสี่พันธรรมะขันนี่ถ้าเราได้รู้เข้าใจศึกษาพระสูตรนี้ก็ถือว่าเอาไปใช้ได้ถือว่าได้เรียนรู้คําสอนของพระองค์ทั้งหมดคือสติประธานนะที่ในสติประฐานสูตรนี้ท่านบอกว่าในสูตรเนี้ยมี คำสอนวรเจ้าจครบเรือกว่าโพธิปักิยธรรมสามเประการทมที่เป็นฝักฝ่ายเพื่อการบรรลุธรรมหรือเข้าถึงธรรมโดยเฉพาะท่านเริ่มต้นโดยสติปัฏฐานนะถึงแม้ว่าคุณธรรมที่สำคัญมีเยอะแต่ท่านก็ไม่ยกย่องเท่ากับสตินะว่าถือว่าเป็นฐานของคุณธรรมทั้งหมดถ้าเราเจริญสติได้ถูกต้องอย่างเดียวนี้หมายถึงว่าคุณธรรมมันอื่นก็ มาด้วยกันหมดเลยเขาเรียกวสติปฐานฐานเป็นที่ตั้งของสติที่นี้สติมันจะตั้งอยู่ในกี่ฐานที่เราส่วดมีเกสรตั้งอยู่ในสฐานฐานกายฐานเวทนาฐานจิตและฐานอารมณ์ตอนนี้คนใช้ว่าฐานธรรมธรรมอารมณ์นั่นเองเขาเรียกว่าฐานอารมณ์หรือฐานธรรมที่ฐานกายทําไงฐานกายนี่ในแง่ปริยัติท่านแบ่งไว้เป็นห หมดย่อยหมดอานาปนาสติคือหมดลมหายใจแล้วก็หมดอิริบทตสยืนเดินนั่งนอนอันที่สองอันที่สามก็หมดอิริบุตรย่อยเรียกว่าสัมปชัญญปะปปะบยบุตย่อยทั้งหลายยืนเดินนั่งนอนมี4ใช่ไหมแต่ในขณะเรายืนเดินนั่งนอนนี่ก็มีภาพตาปากหายใจเหลวส้ยไหลกว่ากลมเงยหยิบหยับจาับช่วยก้าวหน้าถอยหลังอันนี้เป็นอิริบทย่อยทั้งหมด เป็นฐานที่3ฐานที่สี่ก็เป็นอาการ32มสิบองวัยวะในตัวเรามีเสบสามส่วนฐานที่5ก็เป็นฐานของธาตุสคนเราทุกคนประกอบด้วยธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟฐานที่6ก็เป็นฐานของเรียกว่าพิจารณาของเสียในร่างกาย ในร่างกายของเรานี่มีของเสียอะไรบางที่เข้าไปแล้วมันก็ต้องไหลออกเข้าไปแล้วมันก็ไหลออกทุกทุกส่วนเราในที่สุดแม้แต่ตัวร่างกายเองก็ต้องแตกดับสลายไปเดี๋ยให้พิจรารณาร่างกายนี่เป็นหกฐานเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราพิจารณาอันนั้นบ้างอันนี้บ้างทั้งหกอย่างก็จะสับสนจิตใจก็ไม่สมบุกท่านก็เลยให้เอาฐานในฐานหนึ่งนะเป็นหลัก คนส่วนใหญ่แล้วก็จะคุ้นได้ฐานลมหายใจนี่แหละเวลาเราสวดโสโตตัวะสัสติเมื่อหายใจเข้าก็รู้หายใจเข้าสโสตวะสัสะติเมื่อหายใจออกก็รู้หายใจออกถึงมีเฉพาะฐานไอไอลมหายใจท่านแบ่งไว้ถึงสิบหกวิธีด้วยกันนะสวดไปยาวมันก็เลยข้ามไปไม่ต้องเอามาสวดมันยาวเกินไป ได้ข้ามไปฐานที่สามที่สี่ที่เรากำลังปฏิบัติอยู่เราใช้ฐานที่สองที่สามนะคือฐานของเรียบทสี่เครียบทย่อยอที่เรายกมือกันณีถ้าเกิดมีคนถามาว่าที่ปฏิบัตินี่มีในพระไตรปิฎกหรือเปล่ามีบอกไปเลยตรงไหนอ่ะก็ในสติปัฏฐานสูตรหมวดที่ว่าได้ยกกายแล้วก็ อาวะอาเดกายประเภทที่สองและที่สามที่เรายกมือนี่คือประเภทที่สามาคือว่าด้วยเรื่องของอภิกันเตปฏิกันเตสัมปชาญกาลีโหติพิกสุเมเดินก้าวไปข้างหน้าเดินถอยกลับว่าข้างหลังมีความรู้สึกตัวทั่วุ้อมเรียกว่าเดินจงกรม่นฐานเดินจงกรมอภิกันเตปฏิกันเ ต, นเตสัมปชาญกาลีโหติแล้วก็ อันที่สามก็เรียกว่าสัมมินชีเตปาสาลิเตสัมปชานาคาเลโหติมีความรู้สึกมีปกติทําความรู้สึกทัวทั่วพร้อมการคูเหย็ยดอวัยวะคือการยกมือคูเข้ามาเหยียดออกไปนี่คือเป็นฐานที่สมกายานุปัสสนาเอาไปอ้างเลยเลยเพราะฉะนั้นเราต้องสวดให้จําเวลายกขึ้นมาอ้างมันจะได้ไม่มันจะได้จําได้เขาบอก การปฏิบัติแบบนี้มันมีพระไตรปดฎกไม่มีได้ไงเอาพระไตไปิฎกไปเปิดให้ดูเลยนี่ไงว่าโดยอรบิลบดสี่และเอเบิลบย่อยมาบวกกันเป็นวิธีการอันนี้นะทำไมาจึงใช้วิธีการอันนี้ไม่ใช้ลงหายใจละ่ะอถ้าเขาถามโอก็มันมีตั้งหกทางเนี่ทางไปกรุงเทพตั้งหกถนนสายใหญ่คุณจะไปเดินแต่สายนั้นสายเดียวรถมันติดแงกอยู่เนี่ย มันจะไปได้ไงสายนั้นรถไม่มีแต่คุณไม่วิ่งไปง่ายกว่าเลยเออไปที่สายมันรถไม่วิ่งเนี่ยมันจะเข้าถึงไวกว่าไปสายนี้สายแรกเนี่ยไปสายเอเชียสายโหนยูทีนรถแน่นไปลําบากนะก็หมายถึงว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีโดยเฉพาะคนสมัยโบราณย้อนปีย้อนกับคืนไปร้อยปีสองร้อปีคืนหลังคนเขาเข้มแข็งนะ มีร่างกายเข้มแข็งมาสิริปัญญาเข้มแข็งมีอิสีเข้มแข็งเพราะอะไรเพราะคนสมัยนั้นธรรมชาติมันยังไม่เสียอาหารเขาก็ยังไม่ปนเปื้อนธรรมชาติไม่ถูกทำลายธาตุสี่สมบูรณ์บริบูรณ์ดินน้ำํำลมไฟสมัยปุยยะจะใหญ่แล้วก็ยังทันอยู่ร่างกายเขาเข้มแข็งจิตใจแข็งสิริปัญญาขแข็งแค่เขากําหนดรูลมหายใจเข้าออกเนี่ยเขาก็เข้าถึงทำได้แล้วแต่คนสมัยนี้เป็นอย่างนั้นไมหมลรออ่า อาหารก็เสียน้ําก็เสียดินก็เสียลมก็เสียเป็นมลพิษอากาศเป็นมลพิษอาหารก็ปนเปื้อนด้วยสารพิษต่างๆแล้วก็น้ําในแม่น้ําก็เต็มไปด้วยสารเคมีไฟอากาศมีมลพิษไม่ได้ฝนตกลงมางกินไม่ได้เลยวันนี้สิ่งเหล่าเนี้ มันมีปนเปื้อนโดสารพิษธรรมชาติก็ทําให้เราเนี่ยต้องกินอาหารสูตรอากาศเรานี่ยแค่กินน้ําเข้าไปมันก็ทําให้ร่างกายเราอ่อนแอเมื่อร่างกายอินทรีย์เราอ่อนร่างกายใจจิตก็อ่อนสติปัญญามันก็อ่อนลงไปตามลําดับทีนี้เราไปใช้กรรมฐานในอานาปนาสติเป็นกรรมฐานที่ละเอียดอ่อนกรรมฐานที่ลึกซึ้งกรรมฐานที่เรียกว่าเป็นมงกรกรรมฐานนะแต่กําลังเรามีแค่นี้รับไม่ไหว กำลังเรามีห้าสิบกิโลแต่เราจะไปแบ ก, กบเข้าสารกระสอบร้อยกิโลนไหวไหมมันไม่ไหวไม่ไหวแล้วก็ดันแบกไปอย่างนั้นมันก็ตายเลยไปมาธรรมนาป่ามาตั้งหลายปีไปไม่ได้ไปติดแค่นิวรณ์เดี๋ยวก็หลับเดี๋ยวก็ง่วงเดี๋วก็ฟุ้งเดี๋ยวก็ úng, เ, วกเอาอยู่อย่างนั้นนะขี่ปีกี่ปีมันก็ไม่พ้นจากนิวรณ์ไปติดใส่มานะอัตตาติดใส่ความสงบติดใส่ความสุขติดใส่มิมิตติดใส่ สีใสแสงไปไม่รอดเลยเห็นไหมเพราะอีซีเรามันอ่อนนะนี่เขาเรียกว่าอีซีอ่อนแต่ว่าไปแหวกของหนักมันไม่ได้อีซีกายอีซีจิตละอ่อนไปใช้อนาปาซึ่งมันละเอียดอ่อนเหมาะสําหรับคนโบราณ น, นั่นนะที่เขามีความเข้มแข็งแต่พอมาชั้นเราเนี่ยในเมื่อสูงสุดเราเอาไม่ได้แเราก็ลองลงมาเอาที่สองที่สามที่หนึ่งเร า, เาไม่ได้ก็ ที่หนึงเขาก็มีตําแหน่งน้อยเขาเราเอาที่สองที่สามไวอย่างดีก็มาใช้หมดที่สองคือใช้อิริบทสใช้อิริบทย่อยมาช่วยก็พิจารณาลมหายใจไม่ไหวละเอียดไปก็พิจารณาอิริบทสี่ยาการยืนการเดิ น, ก า, นการ น, นั่งกันนอนกำหนดรู้อิริบทย่อยขูดเหยียดเขื่อนไว้กลุ่มหน้าอถอยก้าวหน้าถอยหลังเร็วใส้แรงกว่าเอานี้เข้ามาช่วยแทนมันก็ เหมาะ ก, กับอินทรีย์ของเราเหมาะ ก, กับกําลังของเราเห็นไหมแทนที่เราจะแบก่กระสอบร้อยกิโลไม่ไหวก็แบ่งให้มันเป็นซะห้ากิโลสิบกิโลมันก็เอาไปได้สบายอันนี้ร้อยกิโลแ บ, บ่ไม่ไหวก็จะดันแบ่งเง้ยในที่สุดคนก็ตายเข้าก็ไม่ได้กินแต่ถ้าเรามาแบ่งไปเนาะมันกระสอบไหยมันไม่ไไมไมออกกําลังของเราเรามีกําลังห้าห้าสิบกโลก็หิ้วแค้สิบโลยี่สิบโลไปไหวก็แบ่งเอาไปก็ไปได้เห็นไหม นี่คือความฉลาดของพระพุทธเจ้าและบุรุษอาจารย์ที่ท่านแบ่งไปตามชั้นของอินทรียปัญญาของคนท่านรู้ว่าคนแต่ละคนมีอินรีย์แตกต่างกันไปกำลังไม่เท่ากันโอ้คนไหนกำลังสตีปัญญาเข้มแข็งอินรียกายอินรียจิตเข้มแข็งธรรมนาปานะคนสมัยนั้นน่ะพันสองพั 2000, 000, ปีร้อยส0งปีผ่านไปเขาทําได้เหตุผลก็คือว่าธรรมชาติมันบริสุทธิ์อะไรที่มันบริสุทธิ์มันมีพลังใช่ไหมน้ํามันเนี่ย ปนเพื่อนเยอะๆไปไงน้ำมันที่มันบริสุทธิ์เยอะๆไปไงนพวะออกเทนสูงพวกเนี่ยใสเข้าไปไม่มันไปสูงใส่น้อยแต่วันไปไกลแต่น้ํามันที่คุณภาพต่าไปไงใส่ไปตั้งเยอะแต่ว่าวิ่นรถไม่เคยได้กําลังมันไม่พอเห็นไหมร่างกายของเราเหมือนกันถ้ามันมีความบริสุทธิ์สะอาดสูงมันก็มีพลังสูงแต่ความสะอาดบริสุทธิ์มันต่าก็มีพลังต่า แต่ว่าเราก็ต้องใช้ถ้าไม่ใช้น้ํามันเลยมันก็ไปไม่ได้น้ํามันถึงจะคุณภาพดังก็ต้องใส่เราก็เหมือนกันถึงแม้ว่าร่างกายจิตใจเราจ ะ, ะเป็นคนอนุชนรุ่นสุดท้ายภายหลังจ ะ, ะมาสู่ยุคที่มันเป็นกูลียุควิกฤตการแล้วร่างกายจิตใจสติปัญญาของเราเนี่ยมันไม่ได้เข้มแข็งเหมือนคนสมัยก่อนก็ใช้กรรมาฐานที่มันเหมาะกับกําลังของเรานั้นเราจะมาใช้หมด อิรบท์สี่ใช้หมดสัมปัญญานี่บางคนก็ไปพิจารณาธาตุสี่ไปพิจารณาอาการสาที่สองไปพิจารณาอสาุภะตามกำลังอิสีของเขาแต่อย่างระดับกลางอย่างพวกเราเนี่ยใช้อิริบทสี่บนยอดในเหมาะสมที่สุดที่หลวงพ่อเทียนท่านใช้นะวันนี้ไปได้หลวงไปได้รูปหลวงพ่อมหาปานอนันโทมาซึ่งเป็นผู้ที่ผู้หนึ่งที่หลวงพ่อเทียนท่านไปศึกษาด้วยเนี่ย วันนั้นวิธีการเคลื่อนไหวเนี่ยเมื่อก่อนช้ามากนะมันทําวิธีการของพ่อมหาปานเนนพ่อมหาปานมาจากไหนนูน่นจากวัดมห า, าธาตุมห า, าธานมาจากไหนนูน่นพมามหาศิษยาดอนต้นก็เหมือมาจากนูน่นคนที่สอนเรื่องเคลื่อนไหวกับสอนหนอเนี่ยคืออาจารย์องค์เดียวกันพอเห็นว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยคนสมัยนี้รับไม่เคยได้มวยไปติดพุดโทโธกันท่านก็เลยบอกอา้าวถ้างั้นไปเปลี่ยนการเคลื่อนไหวมือมาเป็นหนอง รูปหนอพ้องหนอ๋อซะเขาก็เปลี่ยนวิธีการแต่มาจากอาจารย์องเดียวกันนั่นแหละทีนี้ทางหลวงพอ่อมหาปานเขาไปเรียนจากวัดมหาธาตุการเคลื่อนไหวโ ย, โยกมือแต่สมัยนั้นเขาไม่ได้ว่าการยกายกมือสร้างจังหวะเขาเรียกว่าติงนิ่งกรรมาฐานติงนิ่งภาษาอีสานภาษาลาวติงเคลื่อนนิ่งหยุดติงนะิ่งหลวงพ่อเห็นทำอย่างนี้ แต่ทีนี้หลวงพ่อท่านเห็นว่าเอ๊ะไอ้ติ่งนิ่งช้าๆเนี่ยมันจะต่างจากพูโทโธยังไงเนอะมันจะต่างจากไอ้การดูลมหายใจไม่ต่างกันนุ่มก็เพ่งเหมือนกันนี่ท่านก็เลยมาดัดแปลงจากที่มันช้าๆเนี่ยให้มันเร็วขึ้นนี่ยนี่คือคือคือที่จะออกมาเป็นหัวเทียนเนี่ยคือไม้คอต้นตอมาจากหลวงพ่อมหาปานนี่แหละหลวงพ่อมหาปานา น, า น, านันทโธท่านอยู่ที่ ออยู่ที่วังจันทร์ปัสสก์ปะหลวงพ่อหลวงพ่อเทียนเราไปศึกษาแล้วท่านก็เกิดปัญญาของท่านเหมือนกันเอ้มันต่างกันตรงไห น, นบอกไม่ต่างไม่ต่างเราทําไปทําไมพุโทโธเราก็ทํามาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนอเราก็ทํามาแล้วเออท่านก็นมาคิดว่ายกมือนี้ยกไปทําไมยกเพื่ออะไรอ๋อันนี้ท่านเกิดปัญญาท่านเองว่า ยกมือเนี่ยยกไปเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่ามือมันยกมันไหวความรู้สึกนี้จิตเป็นผู้รับรู้ใช่ไหมเมื่อจิตเป็นผู้รับรู้รับรู้อะไรรับรู้ความรู้สึกที่ยกมือแล้วความรู้สึกีมันก็เข้าไปสู่จิตออแล้วการยกมือเนี่ยช้าไวเนี่ยต่างกันเนี่ยช้าคือการเพ่งแล้วการเพ่งมันก็เป็นสมถาะาการเพ่งมันก็ดเหมือนลมหายใจ ถ้ายกไว้อ่ะอ้ายกไว้มันไม่ต้องเพ่งมันรับรู้เฉยเฉยอ๋อตรงนี้มันก็ต้องไม่ใช่เป็นตัวเพ่งแล้วมันก็จะจะเป็นตัวรู้อเห็นไหมจากตัวเพ่งกลายมาเป็นตัวรู้อ่ะแต่จิตนั้นต้องการตัวรู้แต่ถ้ามันเพ่งเนี่ยมันไปกลายเป็นตัวอุปทานไปสําคัญมั่นหมายว่าจะให้รูปเนี่ยมันเที่ยงเพ่งให้มันเที่ยงเพ่งให้มันได้อย่างใจยิ่งเพ่งมันก็ยิ่งดิ่นเนี่ยเพราะมันไม่เที่ยงอ่ะรูปอ่ะเพราะนั้นไปเพ่งรูปไม่ได้ ท่านก็เลยไปเอาตัวรู้เฉยๆให้รู้ลูกไม่ต้องไปเพ่งลูกก็เลยสร้างตัวรู้เพราะงั้นการเคลื่อนไหวนี้เพื่ออะไรให้เป็นนิมิตให้เกิดจิตเป็นผู้รู้ให้จิตมารับรู้มีความรู้ไปที่ตั้งไม่ใช่เอาตัวตัณหาอุปท า, านเป็นที่ตั้งถ้าเพ่งเนี่ยเราเพ่งอยากจะให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการเพ่งมันเกิดความสงบเพ่งให้มันเกิดตัวนิมิตบอเพ่งให้มันเกิดตัวสัญญาต่างๆมันก็ยัง เป็นรูปอยู่รูปเพ่งยิ่งเพ่ ง, งก็ยิ่งหนักยิ่งน่วงยิ่งง่วงยิ่งเงายิ่งฝุงยิ่งฝันเลยถ้าหากว่ามันไม่พร้อมาแต่อันนี้รู้เฉยๆเอาตัวรู้เฉยๆในตัวรู้เนี่ยมันไม่มีตัวฝุ่งตัวฝันตัวคิดรู้เฉยๆจำเอาไว้ว่าหลวงพ่อเทียนจะใช้คำว่ารู้ซื่อเป็นตัวรู้ที่บริสุทธิ์รู้ยังไม่ทันมีอะไรเลยรู้ซื่อ แต่ถ้ามันรู้ขึ้นมาเป็นคิดนั้นคิดนี่มันแสดงว่ารู้นั้นไม่ซื่อเสร็จแล้วมีสิ่งปนเปื้อนแล้วนี่ประการสําคัญต้องให้รู้ซื่อๆทีนี้จะรู้ยังไงซื่อๆก็ยกเฉยๆน่ะไอ้ที่มันซื่อๆมันถูกต้องแล้วเพราะอะไรเพราะมันเป็นตัวอนัตตาถ้าเกิดยกแล้วมันเกิดว่ามันไม่รู้ไม่ซื่อเนรู้อยากแค่ให้มันสงบไม่สงบรู้อยากแค่ให้มันเป็นนั่นแสดงว่ามันเป็นอัตตาขึ้นมาแล้วนี่เห็นไหมมันไปสู่ตรงนี้เลยนะ เพราะฉะ น, นการที่ยกเราไม่รู้ไม่เห็นอะไรมันถูกต้องแล้วไอเรายกเราอยากให้รู้อันนั้นอันนี้ไปยกให้รู้ ร, รู้ซื่อเหมือนกับโยมตอกหลักตอกลงไปซื่อๆเนี่ยแล้วมเกิดอะไรขึ้นตอกซื่อๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันก็ลึกลงไปเรื่อยๆแหละมันได้อยู่คงที่ตอกยิ่งตอกมันก็ลึกลงไปตีซื่ อ, อแต่ว่าไอตัวปลายหลักมันไม่ซื่อๆแล้วใช่ไหม เหมือนกันอันนี้รู้ซื่อแต่จิตมันไม่ซื่อแล้วจิตมันรู้ไปเรื่อยๆมันถูกตอกถูกตอกเหมือนรถวิ่งตามถนนน่ะคนที่เขาตัดถนนใหม่ๆเขาก็รถอะไรรถหนักๆไปวิ่งวิ่งไปวิ่งมาเฉยๆเนี่ยนะโอ้ทำไมวิ่งไปวิ่งมาไม่ได้อะไรเปื้องน้ำมันเปล่าๆพูดใดไมไม่ได้ไอการที่มันวิ่งไปวิ่งมาเฉยๆมันได้อะไรถนนมันแน่นเออยกไปยกมาเนี่ยมันไม่เช่เฉยอ่ะอะไรมันแน่น จิตมันหนักแน่นขึ้นเรื่อยๆแน่เห็นไหมนี่คือวิธีการอดังนั้นเวลานาทําความเพียรเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะให้เอาตัวรู้สึกซื่อๆเนี่ยเป็นหลักเอาไว้แต่แน่นอนจิตมันขังสมความคิดสั่งสมอารมณ์มาเป็นร้อยวันพันปีมันซื่อไม่ได้หรอกยกปักเดี๋ยวมาคิดนู่นยกปักเดี๋ยวมาคิดถึงนั่น คิดถึงอดีตที่ถึงอนาคตมาแล้วทีนี้ก็นั่นก็หมายความว่าไอ้รูปกับแสงที่มันมันไม่ตรงกันแล้วมันพรากันแล้วทีเนี้มันก็เกิดเงาเงาก็คือความคิดเร่องนั้นมาแล้วก็ปรับมันรื่ปรับให้มันตรงกันอีกอปรับได้สักพักเอา ด, ดิ่งอีกดิ่งอีกก็ปรับอายุงั้นแหละจนกระทั่งไอ้ตัวเนี้ยเราตอกย้ำตัวรู้ตัวนี้ตัวรู้ทีนี้คือแสงสว่างนะ อาตาปีสติม า, า, าสติมาสัมปชัญชโนคือตัวนี้ตัวแสงสว่างนี่ทําให้ตัวแสงสว่างมันแน่นๆตอนแรกมันเป็นหลอดที่แข่งอยู่ใช่ไหมเราหลอดโราแขวนสายาวๆเนี่ยเวลาลมมาไปไงก็แก่งใช่ไหมทีนี้จะทำไงไมาให้มันแก่งก็ ข, ขยับสายมันสั้นขึ้นสั้นขึ้ น, น, น, น, นจนไปติดเพดานตีฐานใส่เพดานเลยลมพัดมาเป็นไ ง, แ ก, ง, ไงแก่งไหมไม่แข่งละนั่น หมายถึงว่าตัวรู้ของเราเนี่ยทําตัวรู้นี่ให้มันมั่นคงทําตัวรู้ให้มันมีฐานที่มั่นคงให้รู้ในสี่ฐานฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมยึดหลักสี่หลักนี้ให้แน่นเลยความรู้ก็รู้สึกตัวเขาจะตรงเที่ยงแล้วทีนี้แทนที่เราจะปรับหาหตัวรู้ที่นี้ไม่ปรับปรับอะไรปรับตัวกายเข้าหานะต่แรกเขาโมโหไอต้ตรงนี้ก็ดิน่นไอ้นี่ก็ดินไงนนไงมันกายก็ดิ่งจิตก็ดิ่ง ปรับยากมากนลยต่าคนต่างดิ้นความคิดก็เกิดเรื่อยๆทีนี้เอาให้มันมั่นคงเสียหลักมืงก่อนเอาแสงสว่างให้ติดมั่นคงซสก่อนมาปรับรูปอย่างเดียวมาปรับกายอย่างเดียวกายนี้ต้องปรับเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะกายเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขงังอัตตาโดยธรรมชาติมันดิ้นอยู่สามเรื่องนี้แหละ ดินเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเม่อยเดี๋ยวขัดเดี๋ยวยกปราบอยู่อย่างนั้นแหละเดี๋ยวพลิกบินพลิกงายอยู่ยงั้นไม่เคยหยุดหย่อนตั้งแต่เกิดจนตายนี่เพราะอะไรเพราะกายเนี่ยมันเป็นรูปโดยสังโดยเป็นสังขารรูปด้วเป็นสังขารโดยกําเนิดแต่ตัวรู้เนี่ยมันเป็นนามมันเป็นวิสังขารโดยกําเนิดแต่เนื่องจากว่าน้ำเนี่ยมันอยู่ปราศจากรูปไม่ได้มันต้องอาศัยกันนะ ต้องอาศัยกันถ้านามไม่มีรูปนามก็อยู่ไม่ได้รูปไม่มีนามรูปก็อยู่ไม่ได้ต้องอาศัยกันกายกับใจต้องอาศัยกันแต่ถ้าอาศัยกันให้มันตรงเนี่ยให้มันไม่มีตัวที่สามตัวที่หนึ่งคือนามใช่ไหมตัวที่สองคืตัวที่สามคืออะไรคือนามมารูปผหมายความว่าถ้ามันไหวไจากการนิดมันก็เกิดตัวที่สามแล้วนะคเกิดอะไรเกิดเงา อ่าเกิดเยาคือนามาลูกเหมือนกันกายใจความคิดเนี่ยทีนี้ไอเฉพาะกายเนี่ยมันก็เป็นตัวทุกข์โดยกําเนิดของมันแม้แต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทุกข์ทุกข์กายท่นปวดหนักปวดเบาปวดหลังปวดเอวเหมือนเดิมมาแล้วท่านก็บำบัดไปตามเรื่องจนท่านก็ป่วยก็เจ็บเหมือนเรานี่แหละแต่สิ่งนี้ที่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เปลี่ยนไม่แปลงของท่านก็คือ ใจของท่านที่เป็นนามนี่แหละไม่เปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเพราะยึดติดฐานในสติปัฏฐานทั้งสีมั่นคงแล้วก็อาศัยอะไรอาศัยอาตาปีคือความเพียรปดอยู่ตรงนั้นอาดตรงนั้นตีอยู่ตรงนั้นตอกอยู่ตรงนั้นจนมั่นคงดังนั้นเราจะเห็นว่าการปาราลความเพียรความหมายก็เพื่ออะไรเพื่อที่จะปรับฐานของนามให้มั่นคงก่อน เพราะว่ามันเป็นภาวะเพราะน้มคือใจเนี่ยมันมีสองสภาวะสภาวะเรียกว่าสังขารกวิสังขารมันเป็นตอนไหนน้าที่มันจะเป็นสังขารได้ตอนไหนตอนที่มันไม่ตรงกับรูปใช่มมันเกิดเงาเงาเนี่เป็นสังขาร น, นะแต่เมื่อไหร่ปรับน้มกับรูปรูปกับน้มให้ตรงกันปั๊บไม่เกิดเงาตัวนั้นก็เรียกวิวสังขาร คือไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ไม่เกิดเงาซึ่งตรงนี้มันเป็นรูปธรรมชัดๆเลยมันไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนลึกซึ้งอะไรอ่ะแต่เนื่องจากว่าเราไปคิดเอาเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องซับซ้อนลึกซึ้งกลายเป็นเรื่องปรัชญากลายเป็นเรื่องจิตวิยากลายเป็นเรื่องทฤษฎีอะไรโอ้ยอธิบายกันสอนกันหลากหลายมากมายแต่ว่าไม่เคยเข้าใจเพราะผู้รู้เองผู้สอนเองก็ไม่เห็นความจริงอันนี้ ก็ว่ากันไปตามตำราว่ากันไปตามความจุดความจำจางคำพีไปเรื่อยๆมาตลอดแย่โยงฟังทรมาเป็นร้อยวันพันปีก็ออยังเหมือนเดิมเคยโกรธยังไงก็โกรธอย่างนั้นเคยโลภยังไงก็โลภอย่างนั้นเคยหลงยังไงก็หลงอย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเพราะผู้รู้ผู้สอนก็ม่เห็นผู้ฟังก็ม่เห็นโดยแหละเพราะว่ากันตามความจำ ดังนั้นคำสอนพระพุทธเจ้าความจริงท่านบอกว่ามันเหมือนหงายของที่ค่วมเคยได้ยินไหมเปิดของที่ปิดเหมือนบอกทางคนของทางชูแสงสว่างในที่มืดเนี่ยถ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จริงเนี่ยมีลักษณะสีอย่างนี้